มองความสุขเชิงปฏิบัติวัดจากการพัฒนาของชาวบ้านขึ้นไปเมื่อพิจารณาโดยถือการมสุขเป็นหลักพอจะสรุปแนวทัศนะของพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับความสุขได้ดังนี้ 1. กรณีที่เสวยการมสุขข้อหนึ่งกขั้นดีเลิศคือการเสวยการมสุข พร้อมทั้งรู้จักความสุขอย่างประณีดด้วยความสุขอย่างประนีตนั้นจะเป็นเครื่องคุ้มครองรักษาและค้ำประกันให้การเสวยการมมาสยู่ในขอบเขตแห่งความดีงามให้เสวยกรรมอย่างมีศีลธรรมไม่ก่อปัญหาทั้งแก่ตนและคนอื่นแต่สามารถเป็นอยู่อย่างเกื้อกูลทำให้เกิดประโยชน์สุขทั้งแก่ตนเองและสังคมโดยมีลักษณะทั่วไปคือรู้เท่าทันเห็นโทษ อันได้แก่ช่องเสียหรือแง่ที่บกพร่องของการมาสุขนั้นรู้จักประมาณในการเสพไม่ลหลงไหลมัวเมาเช่นในทางเพศผู้มีครอบครัวก็มีศรัทธาสันโดษคือความพอใจอิ่มอยู่แค่กู้ครองของตนอยู่ร่วมกันด้วยธรรมเช่นซื่อตรงจงรักต่อกันและชักจูงกันให้เจริญก้าวหน้าในความดีงามและความสุขที่พระนีสสูงขึ้นไป เช่นคู่อริยสาวกบิดามารดาของนายนักุลเป็นต้นข้อหนึ่งขอขั้นดีคือการเสวยการมาสุขที่มีศีลธรรมแต่ยังห่างเหินจากความสุขอย่างประนีตมีลักษณะคล้ายกับการเสวยการมาสุขขั้นดีเลิศนั่นเองคือเสวยการมาสุขไปตามปกติธรรมดาโดยยอมรับและรู้เท่าทันความจริงว่าเมื่อมีกรมก็ต้องมีทุกข์บ้างเป็นคู่กัน มองเห็นแง่เสียหรือโทษของกามนั้นแล้วดาเนินชีวิตอย่างให้มีทุกน้อยที่สุดให้กามเกิดโทษก่อปัญหาน้อยที่สุดไม่หมกมุ่นรู้จักประมาณและพยายามปฏิบัติตนให้เป็นที่เกิดของประโยชน์สุขให้มากทั้งแก่ตนเองและแก่ผู้อื่นแต่เพราะยังขาดความสุขอย่างประนีดไวเป็นทางออกและเป็นหลักประกันจึงยังเสี่ยงต่อการที่จะถูกล่อเร้าให้ถลำลึกลงไปในกา ม, มาสุข ยังอาจกลับหมกมุ่นสยบได้อีกไม่มั่นคงปลอดภัยแท้จริงข้อหนึ่งคอขั้นสมคือการเสวยกรรมสุขอย่างหมกมุ่นมัวเมาจิตใจฝักใฝ่หลงไหลคลุ้นคิดอยู่แต่ในเรื่องการสแสวงหาและปลนเปลืตนด้วยสิ่งเสพต่างๆมีลักษณะเด่นเช่นในเรื่องอาหารและเรื่องทางเพศก็มีการกระตุ้นปลุกเร้าให้มีความตื่นเต้นความเครียด ความกระสับกระส่ายร่าเริงกระวนกระวายอย่างเกินเลยกว่าระดับที่เรียกกันว่าเป็นความต้องการตามธรรมชาติของการกินอาหารและการสืบพันธุ์อาจปรุงแต่งวิธีการและอุปกรณ์ต่างๆขึ้นมาเพื่อปลุกเร้าวความเครียดกระวนกระวายเช่นนี้โดยอาศัยความต้องการที่เรียกกันว่าตามธรรมชาตินั้นเป็นเพียงเชื้อสําหรับจุดไฟแล้วโหมความอยากเร้ารุนหรือร่าเริงให้รุนแรง มากกว่าปกติและให้เป็นไปอยู่บ่อยๆหรือเนื่องนิดแม้กระทั่งถึงขั้นที่เรียกได้ว่าวิปริตในสภาพเช่นนั้นการกินอาหารที่ไม่ใช่เพื่อหล่อเลี้ยงกายและเพศสัมพันธ์ที่ไม่ใช่เพื่อการสืบพันธุ์จะเป็นไปอย่างโดดเด่นจนถึงขั้นหมดสํานึกต่อจุดหมายเดิมกลายเป็นกิจกรรมเสพเพื่อสนองตัณหาอย่างเดี่ยวล้วนหรือกามเพื่อกามโดยสิ้นเชิง และตามมาด้วยภาวะที่เรียกได้ว่าอยู่เพื่อกามหรือมีชีวิตอยู่เพื่อกินเสพเท่านั้นในระดับสังคมเมื่อสภาพที่เลยจากขั้นปลดปล่อยระบายตามธรรมชาติกลายเป็นขั้นความเครียดกระบวนกระวายที่ปรุงแต่งโดยจงใจเช่นนี้จนเป็นไปอย่างแพร่หลายเกลเอแล้วสังคมนั้นจะเป็นเหมือนอยู่ในภาวะสงครามตลอดกาลชนิดหนึ่งตามปกติในภาวะสงคราม ย่อมจะมีการปลุกเร้าใจคนให้เกิดความโกรธแค้นเกลียดชังเกินกว่าระดับความรู้สึกที่จะเป็นไปเองตามธรรมดาจนคนอยากและพร้อมเต็มที่ที่จะทำการล้างผลาญเข็นฆ่าทำลายกันและมีความชื่นชมสมใจในการที่จะได้กระทำเช่นนั้นในภาวะการปรุงแต่งนี้ก็เช่นเดียวกันจะมีการยั่วยุปลุกเร้าให้เกิดความหื่นกระหายและมีความหมกมุ่นคลุ่นคิด อยากเสพอย่างเกินกว่าที่จะเป็นไปเองตามธรรมดาภาวะเช่นนี้เป็นคู่กับสงครามเกลียดโกรธอาจเรียกว่าสงครามกามและเป็นทางมาของสงครามเกลียดโกรธได้ด้วยพูดได้ว่าคนเขาอยู่กันสบายๆทำการสร้างสรรค์ต่างๆกันดีกลับมาแกล้งยุ่ย้าให้เขาเกิดความทุกข์ความเครียดบีบคั้นให้ทนอยู่สุขสบายไม่ได้ เหมือนยั่วให้คนโกรธจนต้องหาความสาแก่ใจด้วยการทำลายเมื่อภาวะสงครามการมเป็นไปอย่างยืดเยื้อมีกิจกรรมปลุกยุเช่นการโฆษณาคอยหนุนอยู่เรื่อยๆคนจะมีความโน้มเอียงไปในฐานที่จะไม่มองเห็นคนในฐานะที่เป็นเพื่อนมนุษย์หรือแม้แต่เป็นมนุษย์แต่จะมองเห็นคนในแง่ที่เป็นสิ่งสำหรับเสพเป็นเยือ่อ หรือเป็นแหล่งที่อํานวยสิ่งเสพและตั้งความหวังในการที่จะมองเช่นนั้นหรือถ้าคนนั้นไม่ใช่อยู่ในฐานะจะเป็นที่เสพหรืออํานวยสิ่งเสพได้ก็จะมองเห็นในแง่เป็นคู่แข่งแย่งหรือตัวขัดขวางหรือไม่ก็เป็นสิ่งเกะกะไร้ประโยชน์น่ารังเกียจน่ารำคาญเมื่อใจคนฝักใฝ่หมกมุ่นคุ่นอยู่กับการและการเสพต่าง ชันทะในการทำหน้าที่การงานก็เป็นไปได้ยากทำให้ขาดความรักงานไม่ตั้งใจในการทำงานไม่มีสมาธิระบบชันทะจะเลือนหายระบบตันหาจะเป็นใหญ่คนได้แต่รอคอยจ้องเวลาที่จะไปหาสิ่งเสพทำกิจการต่างๆเพื่อมุ่งเอากามในรูปของผลประโยชน์เท่านั้นการทำงานเพื่อผลสำเร็จของงาน เพื่อความดีเลิศของงานจะเสื่อมหายมีแต่การทํางานพอให้เสร็จหรือพอใหเห็นว่าเสร็จตลอดจนการที่จะได้กามโดยทางลัดที่ไม่ต้องทํางานเป็นทางมาของการทุจริตและอาชญากรรมนานาเมื่อใจโน้มไปในทางที่จะมองเห็นกันเป็นเหยื่อหรือเป็นผู้แข่งแย่งครุ่นฝ่ายอยู่กับการแสวงหาสิ่งเสพ และห่วงแหนปกป้องกามส่วนที่ตนจะได้หรือที่ยึดเป็นของตนความหวาดระแวงรศยาคมเหงกันก็เป็นไปได้มากในสภาพเช่นนั้นโอกาสที่มนุษย์จะรู้จักปีติสุขอย่างประนีตแม้แต่เพียงความสุขอย่างง่ายง่ายเช่นความทราบซึ้งในไมตรีจิตมิตรภาพและน้ำใจเมตตาต่ อ, อกันการได้ความเ อ, อิบอิ่มสดชื่นเบิกบานเยือกเย็นใจ ในบรรยากาศสงบร่มรื่นด้วยจิตที่เปิดออกรับรู้ความงามของธรรมชาติเป็นต้นก็หาได้ยากแม้แต่การมาสุขชนิดที่ซาบซึ้งชุ่มเย็นด้วยมีคุณค่าทางจิตใจประกอบคนก็แทบจะไม่รู้จักเมื่อปราศจากความสุขอย่างสงบช้ำเย็นเช่นนี้แล้วสุขภาพจิตของมนุษย์ก็ตกอยู่ในอันตรายเพราะความสุขแบบกามาตันหาล้วนที่เร่าร้อนรานรน ปราศจากพระนิตรแห่งคุณค่าทางจิตเช่นความรักความเห็นใจความเอ็นดูเอื้อเฟื้อเป็นต้นย่อมไม่ช่วยเกื้อกูลแก่สุขภาพจิตคนสองฝ่ายเข้ามาหากันหรือเข้ามาครอบครองเสพกันเพราะการเป็นเหตุต่างก็มุ่งจะเอาจากกันเท่านั้นเป็นความสุขที่มาพร้อมกับการสูญเสียสุขภาพจิตมากกว่ายิ่งกว่านั้น การครบหาหรือสัมพันธ์เพื่อเอาจากกันก็ดีงานที่ไม่ใช่เพื่องานแต่เพื่อผลประโยชน์ตอบแทนก็ดีการคอยเพ่งมองแก่งแย่งผลประโยชน์กันก็ดีมักนำไปสู่ความผิดหวังความหวาดระแวงความขับแคนและขับข้องใจชนิดที่แห้งแล้งทำลายสุขภาพจิตเป็นอย่างมากสังคมที่ตกอยู่ในสภาพเช่นนี้ แม้จะมีกามอย่างนับว่าค่อนข้างบริบูรณ์คนย่อมไม่มีความสุขแท้จริงแต่มีทุกข์มากและทุกชนิดแห้งแหลงย่อมเป็นทุกข์แท้ที่เหี้ยมโหดมากถึงสังคมจะเพียบพร้อมด้วยสิ่งเเสพแต่ชีวิตก็เปราะและเหมือนไร้ความหมายในสังคมที่ขาดแคลนผู้รู้จักความสุขสงบข้างในอย่างประณีตก็ไม่มีแหล่งที่จะอํานวยความสุขประณีตนั้น แม้แก่ผู้ที่ต้องการอย่างยวดยิ่งในขณะที่ปัญหาตามมาอีกว่าในสังคมที่หนักในการมาสุขนั้นจะมีคนจำนวนไม่น้อยที่ประสบความผิดหวังจากการมาสุขหรือถูกผลร้ายของการมาสุกกระทบเข้าในรูปใดรูปหนึ่งแล้วเกิดปฏิกิริยาต่อการมาสุขนั้นกลายเป็นเบื่อนายหรือถึงกับแล่นไปทางเอียงสุดตรงข้าม กลายเป็นเกลียดชังการมาสุขซสีทีเดียวเลยไปทบซ้ําเข้ากับคนอีกพวกหนึ่งซึ่งพ้นออกไปจากฐานะที่จะเสพการมมาสุขอย่างปกติธรรมดาเช่นคนสูงอายุเท่าแก่ช่วยตัวเองไม่ได้สําหรับบุคคลเหล่านี้กรมาสุขเขาก็ไม่พร้อมที่จะเสพหรือรังเกียจซิแล้วถ้าไม่มีความสุขข้างในอย่างประนีเป็นทางออกไว้ให้อีก ก็จะประสบปัญหาทางจิตอย่างหนักถ้ายังมีกำลังก็อาจจะหันไปหาทางออกอย่างอื่นเช่นสิ่งมึนเมาและสารเสพติดต่างๆเป็นต้นก่อให้เกิดปัญหาสังคมหนักยิ่งขึ้นเมื่อกระแสการมาตัญหานี้รุนแรงไหลท่วมทนและมนุษย์ไม่สํานึกที่จะกลับตัวได้ทันสังคมที่ฟอ่อนเฟะก็จะเปื่อยยุย่ยกินตัวเองหมดสภาพไป พร้อมทั้งความร่มสลายของอารยธรรมติดตามมา